ไม่ใช่บาจะมีเห็นแล้วร่ายผี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอาจาริโกง อ, อย่างนี้ควรพวกเราจะทีนิ้ที่เจรณารูปที่เราก็ติดห้องพอใจเป็นอย่างไรทีนิตที่เจรณาดูอย่าเอาเรื่องที่เรื่อปัญหาออกไปว่าแต่ที่เจรณาดูจริงจรงแจัจงผม อยู่บนพีศัสเราคิดว่ามันสวยมันงามแต่าหากลุดหลนออกมาใส่ภาชนะอาหารมาแล้วควนกันกับข้าวหรือกับแกงลรือกับจัส่วนใดตัวตางเราพอใจไหมมีคนหยิบผมออกจากพีศัสมาทิ้งใส่้าเจ้าเสียวเ้อ ง, งามทำไมเราไม่พ อ, อใจขนก็เหมื อ, อ, อนกันเล็บฟัน เป็นแต่ของโสกระโกระนั้นเหตุใดเราจรึงจะพอใจติดข้องในรูปรูปมันให้ความสุขความทุกอย่างไรรูปมันเฉลียมันงามมันหอมมันเหม็นอย่างไรทำไมอย่างที่นี้ที่เจริญนาจะไปหลงตามเรื่องของขกิเลสปัญหาไม่มีวันมีเวลาที่จะได้รับความสุขนี่แต่จะได้รับทุกข์เรื่อยไปมันเคยขี่หลังนั่งคอเรามาหลายพนหลายชาติแล้วเรื่องกิเลสปัญหาเราจะยอมเป็นที่ข้างให้มันขี่หลังนั่งพอ เรื่ยไปอย่างนี้เลยเราเป็นนาครบลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องสู้กันพิ่เจรินากันมันจึงมันเช่นอย่างไรต้องเอาปัญญาอย่างที่นี้พิจารินาเสียงมันเกิดขึ้นมาแล้กวก็ดับไฟถ้าเสียงอันใดเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีการดับเจ้าหูแตกนานแล้วอยู่ไม่ได้ ตายกันหมดพอาเสียงมันจะดังเป็นเจลียวหูของมนุษย์แล้วตแตกตายหมดแล้วนี่มันเกิดขึ้นมามันก็ดับไปแต่ใจของเราผูกไปเจ็บเรื่องเหล่านั้นมาคุณคิดอยู่ในใจเดี๋ยวกตว่ามันดีอย่างนั้นเดี๋ยวกตว่ามันสนนอ ย, อย่างนี้คิดโกหกตัวข้องตัวให้จิตวุ่นวายเสียตับไม่เป็นช้าลประโยชน์อะไร ไปคิดตามทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแก้ไขใครมีปัญญาตัดกระแสของมันอย่าไปคิดตามกระแสของที่เหลวให้คิดไปตามกระแสของธรรมเมื่อบุคคลผู้ใดเดินตามทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอุตสาห์พยายามทำตามโอวาทของท่ามจริงจังมันพิจารณามันศึกษาเรื่องความเปิดความดับ สองตัวไม่ว่าส่วนนอกซึ่งเป็นรูปวัตถุทำหรือส่วนในซึ่งเกี่ยวกับนมามธรรมอะไรเกิดขึ้นก็มีจะจานดับทางนั้นถ้าเกิดขึ้นได้ตายในตองสงสัยสิ่งเหล่านั้นจะต้องตายไปทั่วไม่มีอะไรเหลือหรอไม่ว่าอะไรเกิดอันนั้นต้องตายเดื่อยไปจริงที่เนื้อเกิดเนื้อตายทีือรเราเห็นไหมเราพอใจไหม ถ้าเราไม่เข้าใจเราทําอย่างไรเราถึงจะเข้าใจเรื่องเหล่านนะั้สองคนขวานี่ทุจริงนะแย่งแยะส่วนนี้ให้ละเอียดลงไปหมดของสายจากลูกจะต้องตามเรื่องของนามเข้าไปเรื่องของนามโภคมีในเหมือนกันกับเรื่องของลูกของลูกเนี่ยลูกมันดับ มันประจับในจิตในใจนามันดับก็ประจับในจิตในใจอะไรที่ไปรู้ว่ารูปมันดับลงไปนามมันหายออกไปจริงที่เรารู้ส่วนนี้คืออะไรเราเข้าใจหรือไม่เห็นไม้แล้ะยางเกลียวขวางอยู่ในเรื่องเหล่านี้ไหมเมื่อเรายังไม่เขพอใจก็ศึกษาเข้าไปที่มิพิจารณาเข้าไปจนจิตใจที่เคย ขัดข้องเคยสงสัยเมื่อไปถึงจิดที่หลุดจริงจังจะต้องรู้ไม่มีเวลาที่จะมาลุ่มหลงตามเลื่องรูปเร่งเสียงยังรูปยังนามอีกแต่ถึงจะชไงไง่ช้จิิยามายานายาจาย่างไรก็ใช้ไปตามสมมติมขางโลกแต่จิตของท่านที่เป็นผู้เหนือสมมติ เป็นอย่างไรท่านจะเข้าใจชัดเจนเลยท่านนี่เป็นเรื่องทำทำสต่างสอนเพราะพระพุทธเจ้าสอนไว้พวกเรามีหน้นาที่ที่จะต้องขอเชิปฏิบัติให้รู้ให้เห็นท่านไม่ได้ผูกขาดแบบคนข้างพุทธการที่ค่อยปฏิบัติได้ทีค่อยรู้ค่อยเห็นแต่ไมต่อไปพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว เรื่อเหล่านี้จะศึกษาเท่าไรจ ะ, ป, ระปฏิบัติเท่าไรไม่รู้ไม่เห็นถ้าไม่ไผูกขาดอย่างนั้นทำจรงๆของตายสาหรับโลกเป็นอาการหรือโกผููกกับพปฏิบัติยังรู้ยังเห็นในจิตในใจของท่านทำจึงสานาราทายและพูดได้เต็มปากเป็นเสียงของท่านโลกเขาจะวุ่นวายผัดคล้องอย่างไร เป็นเรื่องของโลกเขาแต่จิตใจของท่านไม่ได้วุ่นวายในตามเรื่องของเขาลาบยศสรรเสริญสุขท่าในที่ิจารณาพอแล้ว่าเป็นเรื่องของโลกเสรียมลาบเตรียมยศเบีนทาทุกท่านก็ทิ่เจร น, นาพอแล้วอะไรทั่วไปในโลกจะทําทั้งแสดจะไปติดข้องกลัวพันในจิตในใจของท่านถูกเป็นมิมุตหลุดไปจากที่เหลือตัณหาใหม่นี ท่านจมีความสุขความสบายอยู่ทุกการทุกเวลาเป็นสุขคัโตทุกอิยาบถในเหนือนผวกเราผวกเราที่เอายื่นปัญหาเปแนวหน้านเป็นอย่างนั้นถ้าไปสบพบเห็นสิ่งที่ตนปลาถนาสิ่งที่ตนต้องการเกิดความพอใจถ้าจริงนั้นปลาดไปจากไปเกิดควาหไหวเหงามันให้ทุกทุกอย่าง ไม่มีวันมีเวลาที่จะส่งสางกาหรือเบาสบายกา ร, ป, รปฏิบัติอย่าไปขาดบาจัด ก, การพุ่งอุตส่าหพยายามทำการจริงจริงจังเพราะการงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีนอกจากเราจะแจก้ไขหรือทำหนาที่ของเราชื่อเอกหลวงพระชื่อผู้ประเสริฐมันประเสิฐอย่างไรถ้าหางมันยัง มัวเมาเฝ้าฝันการเกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกเขาอยู่อย่างฆร า, าวาสเขาที่ในในืมับวชเป็นพระเขาก็คิดได้รู้ได้อย่างคิดไปในแง่ต่างๆมุมต่างๆของเรื่องที่เหลือี่เราเป็นพะเราไปเสริฐทําไมจิตใจจึงไปมัวเมาเฝ้ฝันจึงไปคิดอเรื่องของสามชาราโมกอย่างนั้นสอนใจเขาปลูกเราท่านอยู่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 ร่วนต่ท่านฝึกหาดดัดแปลงอดทนป้ า, าหารในการละทั่วบำเพ็ญดีเสมอมาน่ใช่ว่าจะดีขึ้นเองเคยเห็นไหมเป็นนั่งสอบสำหรับอาหารอยู่จะให้อินเองเคยมีไหมมีเล่าเข้ามาในสถานที่สงบสงัดโดยไม่มีรปเสียงเรื่องราวอะไรมายุ่งเหยิงกับ กับตาของเราควรที่เราจะต้อตั้งหน้าตัางต้งตาประฤปฏิบัตษษษษษษิเป็นที่เต็นฐานนิสัยบัดจะให้พอไปในสถานที่สงบสงัดแล้วจิตใจเจริญสงบสงัดแต่เราเรานําเรื่องต่างๆมาจากอดีตที่เคยเห็นเคยได้ยินมาปรุกจิตปงใจคิดมึ่อยู่อย่างนั้นอย่างการขอบการฉันการอยู่การจินก่อให้คิดดู เรื youth, ่องหล่างกายของเราเป็นอยู่เรื่อของสกปรกเราดื่มเราจินอะไรลงไปล้วนแต่ท้องสกปรกถ้าหากในโต๊ะขูกที่นั่งที่นอนของเราต้องหนล้างต้องเนเช็ดออกเพราะมันสกปรกถูกเนื้อถูกใจของเรากเหมือนกันแต่เหตุใดเราถึงขบถึงฉันถึงรับลงไปได้ของสกปรกอย่างนั้นเพราะถ้าฉันมาเป็นของสกปรกอยู่ด้วยของสกปรกการขบการขัน การรับอาหารอย่าไปคิดติดรสธาตุต่างๆใครคิดว่าเราขบขันเพื่อธาตุขันเป็นอยู่เท่านั้นจะได้ทําความพลาดความเสี่ยนนี่ใช่หรืจะเอารับอร่อย อ, อย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปติดสมมติส่วนนั้นใครคิดว่าเราทานอาหารชันอาหารลงไปเพื่อบางุงคธาตุขันหรือเพื่อให้ธาตุขันเป็นอยู่พอให้กาจัด เมธ น, นาเพื่อส้าหิวราหายออกไปถ้าหากเราไม่คบไม่ฉันไม่อยู่ไม่กินอย่างนั้นร่างกายก็เสียบเยียลงใจจะทำามเตียนไม่ตลอดรอดสั่งไปได้อาศัยอาหารยงแฉดเป็นของบางงูาดขันส่วนการส่วนเวลาพอได้ ทำหน้าที่ประเพปฏิบัติเท่านั้นอย่าไปถือหรือยึดอาหารมากไปกว่านั้นถ้าไปถือหนักไปกว่านั้นมากไกว่านั้นอาหารก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้น ท, ทําจิตทําใจของเราให้โกรธให้เดือดร้อนในเมื่ออาหารไม่ถูกกปฏิเสธปัญหาขอ้อสตนและทําใจของเราให้พนองเสียาหายในเหนือได้อาหารที่ดีดที่ดีมา เด่นนั้นการพิจารณาอาหารให้พิจัยนาะเจ้าว่าเป็นของขบฉันหรือรับประทานไปเพื่อยังขาดขันเป็นอยู่ได้เพียงวั น, ว, นวันเท่านั้นแต่ถึงจะเป็นของอร่อยอร่อยของดีของดี ข, งด ข, งดขนาดไหนก็ตามอาหารจะพ้นจากทางโสโกรกไปไม่ได้ทิ้งเอาไว้ไม่นานอาหารนั่นจะต้องบูดเต่าหรือเสียหายยิ่งเข้าไปใน ในคอของเราเที่ยวเขา้าถูกกับมูลฟันไม่เชื่อเรามันจ บ, ส บ, บกับกระโปรงอย่างไรเราจะคายออกมาดูกระดับจะสามารถดื่มหรือกิ้มเข้าไปอีกได้านไหมมันจ บ, สบกระโปรงขนาดนั้นธาตุขันหรือรูปร่างกายของหญิงชายทั่วไปเป็นท้องกระปรงอาหารก็เป็นข้องกระปรงพอที่จะ เ, เล่าลึกได้คิดได้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 กลิของมันเป็นอย่างไรแต่เพียงหนังลม อ, อยู่ขนาดนี้มันโผล่ออกมายงแตงแต่เป็นลมเท่านั้นก็ยังมีความเหมนี่ยิ่งมันตกออกมาเป็นก้อนเป็นอันก็ยิ่งปฏิกูลกำลักมีเรื่องของร่างกายเป็นอย่างนี้ให้พิจารณาตัดเรื่องความกำลัดยินดีของตงตามพิจารณาขาดขันเป็นสติสัฏฐานควรจะคิดอ่านควรจะที่นี้พิจารา เพื่อแก้ไขที่งเด็ปัญหาที่ไปเหมาเอาวะเชื่ออย่างนั้นงามอย่างเมื่อพิจรารณาธาดขันของตนธัดเจนเห็นประจับเป็นของปฏิกูลอย่างนั้นธาตขันของสัตว์อื่นคนอื่นก็เหมือนกันธาตขันของเราเป็นอย่างไรธาตขันของเขากวจะเป็นอย่างนั้นจะไปหลงไหลหรือชอบใจอย่างไรและการคลองธาตทองขันของติดมีความสุขไหย เราคงพอจะรู้จะพอใจได้เรานั่งนานๆเป็นอย่างไรที่ทุกข์ไม่โผขึ้นมาเพราะอริยบทของเรากบเอาไว้ถ้านั่งนานเหง็ดเหนื่อยนิดหน่อยก็ไปเดินเที่ยงนอนเที่ยงถานอนนานๆกิดควาเหนืดเหนื่อยก็จับลุกล่าหน้าล่างตาออกไปเดินไปนั่งเที่ยงความจริงอริยบทเป็นเสื่องกดทุกเอาไว้ติดทุกเอาไว้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 ลำบากเพราะการเกิดการตายทั้งตนเมื่อจิตของเราในสร้างาหารในการที่จะปะพฤติปฏิบัติเพื่อตัดความเกิดความตายแล้วเรามาแบทความเกิดความตายอยู่แล้วแล้วเรามันจะม่ลำบากมากกว่าเราภ่มเคกำลังของเราทำคํามภาคความเพียรเพื่อข้ามไปจากโงกจกับเพื่อจากตายอยู่อยู่ให้ส้อนตนอย่างนั้น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 สี่มันจะดิบจะดีไปได้มุบาอาจารย์ที่ท่านมีธรรมะมาเนี่ยสอนพวกเราล้วนแต่คยฝึกฝนอบรมทรมานตนมาทางนั้นอุตส่าห์พยายามอบสั้นในเรื่องต่างๆของท่านมาจนเจียงพอบริบูรณ์นักเอาจริงๆจังๆบ้างท่านบ้างองค์เป็นคนที่กล้า ท, ที่กลัว อุตส่าห์ดันบ้นไปอยู่ในต่าข้างดวงเสือสละตายเพื่อภาวนาเมื่อสู้กันอย่างนั้นทํากันอย่างนั้นมันยังไม่ได้ผลยังไม่เ้็นผลตัดอาหารมันอีกสองวันสามวันมันจะตายจริงจังถึงอยให้มันขบมันฉันเอากันอย่างนั้นฉันทํากัน ทำจริงจริงแจงแงพวกเรามันอยากจะสุขก่อนห่ามมันสำคัญพอทำกันไปนิดนิดหน่อยหน่อยก็หยุดกอดทไยไป เ, เสียผลประโยชน์ซึ่เกิดขึ้นหรือได้มาจริงนิดหน่อยในเชียงพอต่อความสองการของสมเรื่นั้นพวกเราทุกท่านคึอเรียกว่าพระีิสุสามเนรฝ่ายวิปัสสนาผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตา ส่อเพืปฏิบัติจงพากันฝึกหัดและสอนจิตท้องตนอย่าเป็นคนงมงายในการต่อเพืปฏิบัติอุตสาห์พยายามทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้าขวนคิดที่จะรณนาสอนจิตท้องตนอยู่สม่ำเสมอไปจิตใจของเราก่อนับวันที่จะเก่าหนาไปสู่ความ สุขความสบายเป็นหลุดพ้นไปจากที่เหลือปัญหาอย่างภาริยเจา้าในท่างพุทธอาารจะไม่เลยเชื่อตามคำของคนท่านหรืมักคผลมันหมดไปเมื่อพวกเราตั้งใจประงไปปฏิบัติอย่างนั้นก็จะพากันเจริญลรุ่งเรืเองในพระพุทธศาสนาและเชื่อมันในตัวของตัวเองว่าเป็น ธรรมะวิเศษยังคงที่คงดีงามอยู่ไม่ไดยหายไปสถานที่ใดเมื่อจิตใจของเราได้รับความสว่างสวัยได้รับความสุขความะบายจากใจที่ในกาะเชี่ยวจะยังที่เดยดปัญหาอย่างนั้นเราอยากจะสอนคนอืน่นเราก็สอนได้เต็มปากเต็มคอของเราเราอยากจะอยู่แต่ตัวของเราคนเดียวก็ไม่ขาดทุนสูงกาไรอะไรอยู่สถานที่ใด จะจ่ายไปก็ไม่หมดจะเก็บไว้ก็ไม่เหลือเฟือมีความสุขเพียงพอบริบูรณ์อยู่อย่างนั้นเหตนนั้นขอทุกท่านทุกคนจงนำธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างที่นำมาอธิบายในทีนี้ทนะี่ิจ่นาะเมื่อเห็นว่าเป็นทางที่ดีที่ชอควรประพฤติปฏิบัติแล้วจงนำไปประกอบประพฤติปฏิบัติตามในอวสาน ไา้อธิบายธรรมะนี้ขอขุณพระศรีรัตนตรัยจรงตามรักษ า, าธรรมนัปฏิบัติให้มีความสุขความเจริญทุกทวนหน้ากันเทินเอวัง